เมื่อวานนี้เราก็คงได้เห็นได้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะว่าความเป็นมิตรหรือเพื่อนเนี่ยนะสำคัญมากนะสำหรับการเดินธรรมยาตราบางทีเพื่อนไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินให้เราเห็นเป็นกำลังใจให้กับเราในขณะที่เราเหนื่อยเราท้อเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเรี่ยวแรงในการเดินทำได้มากกว่าที่เราเคย ความเป็นมิตรช่วยทําให้อุปสรรคระหว่างที่พักแรมมันคลี่คลายลงปัญหาจะยังไม่ได้แก้แต่รู้สึกสบายมากขึ้น mm hmm. เช่นเวลาเราต่อแถวตัก อ, อาหารต่อแถวเข้าห้องน้ำํำแค่ความเป็นมิตรที่มีต่อกันก็ทําให้การคอยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากยังไม่ต้องพูดถึงเวลาเจ็บเวลาปวดมีเพื่อนมาช่วย อยู่หายามาให้เราจะได้เห็นความสำคัญนะของเพื่อนตลอดธรรมยราแต่เราก็ตามเนี่ยมันมีความเป็นมิตรอย่างหนึ่งที่สำคัญนะที่เราควรจะทำให้มีขึ้นนอกจากความเป็นมิตรที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มาร่วมเดินกับเราแล้วเนี่ยความเป็นมิตรของกายและใจเรานี่ อันนี้ก็สำคัญมากนะกายและใจถ้าเป็นมิตรกันได้นี่จะทำให้การเดินธรรมยาตรามันจะทุกน้อยลงเพียงแค่ใจเนี่ยมันอยู่กับกายนะเวลาเราเดินก็ช่วยได้เยอะเนละใจกับกายอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ากายเดินอยู่บนถนนแต่ใจ ไม่รู้ไปไหนแล้วบางทีไปอยู่บ้านนก็ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งกายแล้วก็ใจกายทุกข์เพราะเดินเหนื่อยเดินร้อนปวดเมื่อยส่วนใจนะก็ทำให้กลายเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าพอใจนะมันมีความวิตกกังวลเพราะคิดถึงบ้าน หวงลูกคนหวงคนที่บ้านเนี่ยมันก็ไปซ้าเติมนะกายให้เป็นทุกข์มากขึ้นอนยาม น, นี้เนี่ยนะใจเนี่ยสามารถจะช่วยกายได้เยอะเลยช่วยทำให้ความทุกข์ของกายเนี่ยมันเบาบางลงถ้าว่าใจเนี่ยนะอยู่เป็นที่เป็นทางหรือว่าวางใจได้ถูกใจสามารถช่วยกายได้เยอะ แต่ถ้าใจวางไว้ไม่ถูกเนี่ยนะมันก็ไปทำให้กลายเป็นทุกข์มากขึ้นอย่างที่เราก็เคยประสบนะเวลาเราโกรธเวลาโมโหเนี่ยร่างกายก็แย่สะสมมากๆเข้าก็ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือไม่ต้องรอให้มันสะสมมากๆเนี่ยเพียงแค่มันเกิดขึ้นมันก็ทาให้กายนี้เหนื่อย นะพยายามให้ใจเนี่ยนะมาช่วยกายนะวางใจให้ถูกวางใจให้เป็น้นะมีพี่คนหนึ่งเคยเธอเล่าว่าเนี่ยบ่ายวันเสารนะ์วันนั้นอากาศร้อนมากเธอมันต้องเปิดแอร์ขนาดเปิดเต็มที่ก็ยังรู้สึกร้อนอ้าวแล้วแล้วเนี่ยก็ มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะเมื่อดีนเสียงไปรสเนมาเรียกที่หน้าบ้านเธอหงุหงิดเพราะว่าไม่อยากจะออกจากห้องนะที่กำลังเปิดแอร์เนี่ยไปเจอแดดขนาดข้างในยังอ้าวข้างนอกจะขนาดไหนไม่อยากจะเดินออกไปเพื่อไปรับจดหมายหรือพัสดุไปรสนนเธ อ, อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าบุรุษไปรสนเนเขารู้นะ มันมีคนอยู่ในบ้านนะเครื่องปะประกาศก็เปิดอยู่นะรถก็จอดในบ้านเขาก็เลยรอระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงลูกทุ่งเนจะ้าของบ้านนี่ก็รู้ว่านะบริษัทไปซนีนะคงจะรอจนกว่าเธอจะไปรับก็เลยเดินออกไปรับแบบไนปะเสียไม่ได้นะอารมณ์ไม่ค่อยดี รับของจากไปรษณีย์เสร็จก็พูดกึ้นมาเนี่ยแดดร้อนๆอย่างงี้นะยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่เลยพูดเหมือนกับจะกระแนกกระแนบบริษัทคนนั้นเนี่ยนะหัวเงือนีเอ่เต็มหลังเลยแต่แกยิ้มนะแล้วก็พูดวันเนี่ย ร, ร้อนๆนะแต่ถ้าใจเย็นเน่ยมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วมันใจเย็นครับเสร็จ แ, แล้วแกก็ไปทํางานต่อ มันต่างกันเลนะคนนึงอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าหงุดหงิดคนนึงเจอแดดเป็นเปี่ปยนนะแต่ว่าใจเย็นนะโรคร้อนนะแดดแรงนะกายก็ร้อนด้วยนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าใจมันเย็นได้นะใจเย็นพอร้องเพลงพอใจเย็นแล้วนะไอ้ความร้อนของกายเนี่ยมันก็ทุเลาลง ไม่ใชไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อันนี้เลยว่าใจกับกายเป็นเพื่อนกันใจที่มันช่วยกายไม่ใช่ซ้าเติมเดินธรรมญาติตายถ้าเราไม่ระวังนะเราจะซ้าเติมตัวเองนะกายทุกข์นะใจก็ทุกข์และใจที่ทุกข์นันก็ไปซ้ำให้กายนี่เป็นทุกข์มากขึ้นบางทีมันก็จะเหนื่อยนะร้าเนะีย บางทีเดินยังไม่เท่าไหร่นะอย่างเช่นพอใจว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยโอมันมันก็จะปวดโนด่นปวดนี่ขึ้นมาทันทีใจนี่ยสำคัญใจเนี่ยสามารถจะช่วยลดความทุกข์ของกายได้ง่ายๆนัคือว่าให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายในเวลาเดินเนี่ยใจก็อยู่กับเนลัง ก, กับตัวไม่ต้องเพนพานไปที่ไหนโดยเพราะ ใจเมื่อมันเพ่นพลาดหรือมันพุ่งไปที่จุดหมายปลายทางพอใจมันพุ่งไปที่จุดหมายปลายทางนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอความรู้สึกหรือความคิดแบบนี้มันมันทําให้กายดิ้นแย่ลงใจก็ทุบด้ยนะเวลาเราเดินทางเนี่ยแม้จะเดินทางไปเที่ยวนะทางที่รวดจุดหมายข้างหน้าเนี่ยมันสุขสบายเนี่ย แต่ขณะที่เราอยู่กลางทางแล้วใจเราไปอยู่ที่จุดหมายเนี่ยมันจะเกิดความร้อนรุ่มขึ้นมาเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแทนที่จะไปเที่ยวนะแล้วรู้สึกสบายตั้งแต่ออกเดินทางกลับรู้สึกร้อนรุ่มแล้วถ้าเพียงแค่เราเอาใจเนี่ยกลับมาอยู่นะกับปัจจุบันเส้นทางมันจะยาวไกลจุดหมายนะมันจะอีกนานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ต้องปล่อยใจไปตรงนั้นนะ มันมีหลัก ง, ง่ายๆนะจุดหมายอยู่ไกลนะใจอยู่กับปัจจุบันลองฝึกดูนะวันนี้จุดหมายแม้จะอยู่ไกลนะแต่ให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายที่กําลังเดินความทุกข์ใจมันจะลดลงแล้วเราจะสามารถนะมีแรงเดินไปได้เรื่อยๆนะบ่อยครั้งเนี่ยที่เราเดินไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่เพราะกายมันไม่ไหวนะแต่ใจไม่สู้ ใจมันบนใจมันท้อเพราะว่ารอแล้วรอเร่าก็ไม่ถึงสักทีนะจุดหมายนี่เป็นเป็นเช่็ดลับง่ายๆนะของการพาตัวไปให้ถึงจุดหมายที่อยู่ไกลหรือแม้ลำบากด้วยซ้ำนะมีนักปีนเขาคนหนึ่งน ะ, ะชู บ, บรสเคอ บ, บีวันนี้ก็เป็นเรียกว่าผ่าน เขาที่สูงที่สุดในทุกทวีปมาละลวดทั้งเอเวอเรสต์ด้วยเขาบอกว่าประสบการณ์การปีนเขาของเขาเนี่ยมันบอกมันสอนให้เขารู้ว่าทุกอย่างดูน่ากลัวกับความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลจุดหมายปลายทางหรืองานเ้าว่าเรามองจากที่ไกลๆเนี่ยมันจะรู้สึกหนัากลัวหนักเป็นภาระเวลาก็จะปีนเขาเนี่ย เวลากขมองไปที่ยอดเขาเนี่ยขณะที่เขาอยู่เต็นเขาหรือว่าเบสแคมป์เนี่ยนะมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยอีกต้องไกลก็เพราะว่าวิธีการเดินเขาปีนเขานะที่ดีทสุดก็คือไม่ต้องไปสนใจนะอยอดเขาหรือจุดหมายนะแค่สนใจพื้นติดใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าว ถ้าเดินไม่หยุดนะแล้วก็ถูกทางนะถึงแน่นะมันง่ายเลยแทนที่จะมองไปที่จุดหมายหรือจดจ่ออยู่ที่ปลายทางเราแค่สนใจนะทางที่เรากำลังย่างเหยียบอยู่แล้วก็ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทำแบบนี้นะ ความหงุดหงิดความร้อนรุ่มในใจหรือแม้กระทั่งความกังวลความหนักอกหนักใจมันก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าความทุกข์ลดลงไปเยอะมันก็มีแต่ความเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยให้เราลองเตือนใจเรานะว่าจุดหมายที่ปลายเทานะ้าะจุดหมายไม่ใช่อยู่ข้างหน้าจุดหมายที่การทําให้ปลายเท้าเราขยือนขยับไปทีละก้าว 9, ทีละก้าว 9. ทำให้เท้าเราเนี่ยหรือจุดหรือปลายเท้าเราขยื่อนขยับไปทีละก้าว 9, ทีละก้าว 9, ทำไปเรื่อยๆเดอถึงแน่ไม่เช่ก็ลองสังเกตดูก็ได้นะว่าเวลาเราอย่างเดินเช้าวันนี้หรือเดินบ่ายนี้นะใจมันไปอยู่จุดหมายนะไม่เป็นจุดพักหรือจุดพังแรมบางทีใจมันสอดสายนะสายตาก็สอดสายหาหลังคาวัดนะรู้ว่าเนี่ยเราพักแรงทีวันเนี่ยก็จะมองหาเมื่อไร ไป ห, หลังคาวัดแนละ้วอยู่กไกลๆนะก็พยายามลุ้นให้ไปให้ถึงพอไปถึงปรากฏว่ามันไม่ใช่วัดที่เราพังแะตุกแรมนะอีกสองวัดนะโอ้โหเว้ยห่อเียวเลยนะไม่ไหลแล้วไม่ไหวแล้วเนะียลองดูนะสังสงศึกษาดูใจของเราเนี่ยระหว่างการที่ใจเราเนี่ยมันไปจดจ่อยที่จุดหมายไม่ต้องไม่ต้องปลายแทงก็ไนดะ้ปลายทางก็ได้นะไอท้ที่จะ ักกินน้ำเนะเลงไว้แล้วนะตรงนั้นแหละนะใช่แน่เลยลดน้ำจอดแล้วนะนะลอะของเด็กรักน้ ก, ก็จอดเหมือนกันตรงนั้นแหละนะใช่แน่นะพอเดินไปก็จะถึงเอารถขยับไปแล้วนะโอ้โนเลยนะโมโหเลยนะทำไมไม่หยุดนะทำไมไม่พักตรงนั้นนะนะคิดแบบนี้ก็ซ้าเติมตัวเองนะกายเหนื่อยแล้วนะ ใจยังเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะความร้อนมันร้อนนี่คือร้อนโกรธนะร้อนโทสะร้อหงุดหงิดอย่าซ้าเติมตัวเองนะแค่เดินนี่มันก็เหนื่อยกายอยู่แล้วนะอย่าหาเรื่องให้ใจมันทุกข์ด้วยใจมันไม่ไม่จะไม่ทุกข์หรอกนะถ้าว่าใจเราอยู่กับปัจจุบัน น, นั้นข้อแรกเลยนะฝึกเอาไว้ให้ดีจะทำงานได้ต้องมีสตินะ เพราะว่าเวลาใจเรามันพุ่งไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราลืมตัวอย่างที่หลวงพ่อใช้คำว่าหลงเนี่ยที่ท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยใจเรามันพุ่งไปข้างหน้าแล้วมันก็หาเรื่องใส่ตัวเราแล้วใส่ตัวมันเองด้วยนะเพราะว่าพอจุดหมายจิตจดจอ่อหรือจับจ้องนี่มันยังอยู่อีกไกลเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์มากใจทุกขนะ์เนี่ยกายก็ทุกข์หนักขึ้น แต่พอใจเนี่ยมันไม่ไปจดจ่อยที่จุดหมายมันอยู่กับปัจจุบันแถมหันมาสนใจทัศนียภาพสองข้างทางามันสบายการนี้เราจะมีสตินะรู้เวลาใจมันพุ่งไปข้างหน้าไปลองหรือไปจดจ่อยที่จุดหมายปลายทางเนี่ยอันหนึ่งที่สำคัญนะคือการมีสตินะเห็นหรือรู้อาการของใจเวลามันหุดหงิ มัน จ, จะไม่ได้หงุดหงิดเพราะทางไกลแต่มันงุดหงิดุดหงเพราะาอากาศร้อนหงุดหงิดเพราะว่าร่างกายรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยหรือว่าเพียงแค่เหนื่อยไอ้ความหงุดหงิดหรือความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้กายนี่เป็นทุกข์มากขึ้นจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกข์กายไม่เท่าไหร่นะ่ทุกข์ใจเนี่ยแย่กว่า อันนี้เป็นแม้กระทั่งเวลาเจ็บเวลาป่วยนะคนที่ป่วยได้โรคหนักๆได้ร้ายเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันทับถมตัวเขานี่มันไม่ใช่ทุกข์กายนะบางทีความเจ็บความปวด ย, ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นมะเร็งระยะหนึ่งระยะสองแต่ที่ทุกเต็มๆเนี่ยคือทุกข์ใจกังวลกลัววิตกนะโกรธนะ โกรธเหมือนกนันนะบางทีโกรธชะตากรรมนะหรือว่าโกรธโทษคนนั้นคนนี้ที่ทำให้เราป่วยเพราะเข า, าช่วยเพราะเขาทำตัวให้เราเครียดทำตัวให้เราโกรธสะสมนะจนเป็นมะเร็งนะยิ่งถ้ามีความปวดอยู่แล้วเนี่ยนะไอ้ความปวดที่มันกดทับหนักที่สุดเนี่ยคือความปวดใจนะความทุกข์ใจ แต่ถ้าลองเอาความทุกข์ใจเนี่ยออกไปนะความปวดเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนเนี่ยนะพอเขาหายกังวลนะหายกังวลหายความทุกข์ใจคลี่คลายไปนะไอ้ที่ร้องปวดปวดปวดปวดปวดปวดนี่นะมันหยุดเลยนะบางคนเนี่ยปวดจนนอนไม่หลับทั้งคืนแต่พอช่วยเขา คลายความทุกข์ใจคลายความโกรดคลายความรู้สึกผิดแค่10บนาทีหลับเลยอันนี้มันเห็นเลยนะว่าที่เขาทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่ทุกกายแม่ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นแม่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะเจ็บเจ็บโน่นเจ็บ น, ôn, บนี่แต่ที่จริงไม่ใช่พอคี่คลายความรู้สึกทางใจหลับได้สบายมากเลย หรือว่าหยุดลองควนคลางเลยยกตัอ่าเราตัณนหนีนะ่เวลาเราเดินเนี่ยสิ่งที่ลบกวนเรามากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์กายไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยเจ็บอันนั้นก็มีอยู่นะแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ก้อนใหญ่ๆเนี่ยบางทีอาจจะประมาณสักหกสิรมันคือความทุกข์ใจ ก็เคยมีการทดลองนะแล้วก็พบว่าเนี่ยคนที่มีความกลัวเข็มฉีดาเนี่ยพอโดนเข็มจริงมเข้าไปจะรู้สึกปวดเป็นสามเท่าของคนที่เขาไม่กลัวเข็มแปลว่าอะไรแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทําให้ความปวดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะหนึ่งเท่าคือปวดกายอีกสองเท่าหรือสองส่วนเนี่ยก็คือปวดใจ ปวดใจคือทุกใจนะจะทุกใจเพราะความกลัวเพราะความโกรธเพราะความกังวลเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกันก็คือมันทำให้ความทุกข์กายเพิ่มขึ้นบางทีเรากังวลนะว่าแดดร้อนๆ อ, อย่างนี้นะจะมีฝ่มีฝ้าตกกระเพิ่มขึ้นไหมโอ้ยถ้าคิดแบบนี้นะชัวนะแต่ถ้าไม่สนใจมันนะมาก็มาไม่สน มันก็ไม่โผล่มานะหรือว่าโผล่มานิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าถ้าเจอแรงโยนกลงคืนนี่ฉันต้องเป็นไข้ระบมแน่เลยมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วเกิดหนักกว่าคนที่เขาไม่กลัวเขาไม่กังวลฉะนั้นให้เราเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาใจมันบนใจมันวอยวายมันวิตกมันกังวลมันหงุดหงิด ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตรงเนี้ยนเนี่ย น, นี่คืออาการของใจมันเป็นความรู้สึกนะมันไม่ใช่แค่จิตที่ไปพุ่งอยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่มันมันเป็นความรู้สึกที่กดทับใจเผาใจบีบคั้นใจแค่มีสติรู้นะแค่เห็นมันนะมันก็อารมณ์พวกนี้ก็จะคลี่คลายหายไปแต่ถ้า ไม่เห็นเมื่อไหร่หรือว่าหยุดเห็นเมื่อไหร่นะหรือว่าสติหลุดเมื่อไหร่นะมันก็จะมาใหม่นะบางคนมีสติรู้ทันอารมณ์พวกนี้เป็นแค่แว บ, บสองแวบบหรือว่าขณะ2องขณะมันก็หายไปสองขณะนะพอสติหายมันก็กลับมาใหม่แต่ถ้าว่าสติของเราเนี่ยสามารถจะรู้ได้ต่อเนื่องนะแทนที่จะเป็น2ขณะก็เป็น1ิบขณะมันก็หายไป10บขณะเหมือนกันนะ แต่พอหลังจากนั้นพอสติหายไปอ่ะมันก็กลับมาเป้นแต่ว่าสติของเราเนี่ยเราสามารถจะเห็นมันได้ต่อเรื่องอยู่สักพักหนึ่งทั้งมันอารมณ์พวกที่มันหายไปเองเมื่อเราไปกดข่มมันนะเวลามันกลัวเวลามันเวลามันหนักใจเวลามันหงุดหงิดอย่าไปห้ามจิตว่าจะไปคิดจะไปรู้สึกแบบนั้นไม่ได้หรอกนะมันทําไม่ได้ขอมวุ่นนี้เนี่ยมันใช้วิธีการกดข่มหรือว่าห้าม จิตเนี่ยไม่ให้รู้สึกนี่ไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ทำได้คือรู้ทันมัน mm hmm. เคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนะัตูุโลว่าหลวงปู่ทาไงจะตัดความขู่ให้ขาดได้ตัดให้ขาดกดข่มให้มันหายไปหลวงปู่ท่านตอบไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกนะมีแต่รู้ทันมันรู้ทันมันก็ดับไปเองมันก็หายไปเองเวลาเราเดินเนี่ยเราอย่าซ้ำเติมตัวเองนะขณะที่เราเดินเนี่ยเรามีสตินะสังเกตใจของเรา ใหม่ๆเนี่ยมันเผาใจไปเยอะแยะแล้วเนี่ยถึงจะรู้จะเห็นนะแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้อารมณ์พวกนี้มันรบ ก, กวนจิตใจน้อยลงเราจะเดินด้วยใจที่เป็นปกติมากขึ้นแม้ว่ากายมันจะร้อนนะเท้ามันจะปวดขาจะเมื่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นความทุกข์ที่ลดระดับลงไปเป็นความทุกข์ที่พอทนไหวอันนี้เรียกว่า มีสติดูใจนะแต่ระหว่างที่ยังไม่มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็มีสติดูกายไปดูกายคือรู้กายรู้กายคือใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหวถ้าใจอยู่กับกายเมื่อไรเนี่ยมันก็จะรู้กายเวลาขยันขยับนี่เราเดินยังมีสตินะเรามา มาปฏิบัติธรรมกับการเดินธรรมยาตราเนี่ยก็ด้วยการวิธีหนึ่งก็ด้วยการฝึกสติฝึกสตินะให้ใจมันรู้กายเวลาเดินแต่ไม่ต้องไปจ้องไปเพ่งที่เท้านะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปภาพนะว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ต้องไปจดจ้องขนาดนั้น แล้วก็ไม่ต้องอไปถึงกับไปเอาจิตไปจดจ่อยที่ลมหายใจแค่รู้สบายๆนะอันนี้เรียกว่าใจกับกายมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยความสมัครใจไม่ใช่เราไปบังคับใจให้มันอยู่กับกายด้วยการมัดใจไว้กับกายโดยอาศัยการบริกรรมหรือโดยอาศัยการไปเพ่งบังคับมันจะทาอย่างนั้นนะ ถ้าเราบังคับจิตให้ไปอยู่กับกายเนี่ยมันจะขัดขืนมันจะต่อสู้นะมันไม่ชอบจิตมันชอบอิสระจิตมันชอบทำอะไรโดยสมัครใจจะให้ใจอยู่กับกายต้องให้มันเป็นความสมัครใจของใจเองสนใจมันจะแต่ถึงเวลาจะไปก็เราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่รู้ใจเมื่อไหร่แล้วก็เรียกมันกลับมาในยามที่เดินสบายยก็รู้กายไป ในยามที่จิตมันบนวุว่นวายตีโพยตีพายอ่ะก็ให้มีสติรู้ใจรวมทั้งเวลาปวดนะเวลาปวดเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยนะถ้าเราไม่รักษาใจดีๆนะใจมันจะไปจ้องไปเพ่งที่จุดที่มันเจ็บทั้งที่เราไม่ชอบเจ็บนะเราไม่ชอบความเจ็บเราไม่ชอบความปวดนะแต่สังเกตไหมนะ ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเนี่ยจิตมันไปเพ่งไปจดจ่อตรงนั้นเลยร้อนทั้งร้อนตรงไหนด้วยร้อนตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงที่มันไม่ร้อนมันไม่สนนะมันจะไปสนตรงที่ร้อนไอ้ตรงไหนที่ไม่เจ็บเนี่ยมันไม่สนเลยนะใจมันจะไปสนตรงที่มันเจ็บมันปวดมันจะไปจ่อมันไปจะไปปักเนียมันจะรู้สึกเจ็บมากขึ้นนะคราวนี้ไม่ใช่เจ็บกายนลยมันเจ็บใจเลยเจ็บหรือทุกข์ใจนะพยายามดึงจิตออกมา จากจุดที่มันเจ็บตัวที่จะดึงได้ตัวนึงคือสตินะพอสติมันรู้ว่าจิตเนี่ยมันไปจ้องไปจอยที่เท้าที่ปวดเนี่ยนะอันนี้เราจิตมันไปยึดนะ้มันยึดเพราะมันไม่รู้ตัวนะแต่พอเรามีสติเรารู้ตัวเนี่ยจิตมันก็จะวางจะไปแบกจะไปยึดความปวดนะเราไม่อยากซ้าเราอยากจะ เดินยังมีความสุขแต่เรากลับซ้ำเติมตัวเองด้วยการที่จิตไปจดจ่อที่จุดที่ปวดให้รู้มีส ต, ติรู้นะว่าใจใจเนี่ยมันไปจอตรงนั้นล้ดึงให้มันคลายออกมาวางลงซะนะแต่มันจะยากกันนะเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะคือสมาธิก็คือให้มีมีจุดที่จะดึงจิตให้ไปสนใจสิ่งอื่นแทน เช่นบางคนก็ใช้วิธีการนับนะการนับนับแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้จิตมันไปอยู่ไปจดจ่ออยู่การนับอยู่กับตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ลืมเมื่อไหร่นะกลับมานับใหมนะ่ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะทีเดียวนะเคยมีเด็กนักเรียนมาเดินวันแรกสองวันแล้วก็เหนื่อย เขไม่รู้หรอกน้อยที่เขาเหนื่อ ย, ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจแล้วที่เหนื่อยใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่ใช่เหนื่อยใจมันทุกข์ใจด้วยเพราะว่าใจมันไปปักอยู่ที่ความปวดความเมื่อยของกายก็เลยแน่เขาลองนับดูนะเขาเดินไปตลอดเช้าเนะี่ยจนถึงบ่ายเนี่ยโอ้เขากลับมารายงานาโอ้เขาเดินมีความสุขมากขึ้นเลยนะเพราะว่ามันนับก้า นับได้แล้วหกพันกว่าเก้านะ 6, 9, นะเขาก็มารายงาน <c oughs> อาจจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าลืมนะก็ต้องนับใหม่อันนี้ก็ช่วยได้นะเอาใจไปจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างนะที่มันเป็น ก, นกลางๆเช่นการนับเนี่ยมันก็มันก็เป็นการดึงจิตให้ออกมาจากจุดที่มันเจ็บจุดที่ปวด ที่จริงที่เราตีกลองนี่ก็มีส่วนช่วยนะตีกลองเนี่ยหลายคนเนี่ยใจก็จะไปอยู่ที่เสียงกลองพอใจอยู่ที่เสียงกลองแล้วมันก็มันก็ลืมเจ็บลืมปวดหรว่มันก็จะสนใจความเจ็บความปวดความเมื่อยน้อยลงมันมีความแตกต่างชัดเจนนะเวลาไม่มีกลองเนี่ยบางปีเนี่ยกรองแตกนะปีจนแตกเลยไม่รู้ปีนี้จะแตกป่านะบางทีกลองที่ตีเบาๆมันก็ดังนะแต่บางคนไม่รู้ก็ตีดังๆกระแทกเข้าไปตัวเองก็ เหนื่อยกลองก็เสื่อมเร็วปีไหนเนี่ยมันมีบางวันที่ไม่มีเสียงกลองคนจะรู้สึกเหนื่อยมากขึ้น <c oughs> ถ้าเสียงกลองมันช่วยดึงจิตให้ออกมาจากความเจ็บนะความเหนื่อยของกายเด็ก บ, บางคนก็ฉลาดนะมีปีหนึงเด็กเกขวบ10บขวบวันแรกก็เหนื่อยวันที่2ก็เหนื่อยวันที่3ามยั ง, เ ห, ยงเหนื่อยอยู่ พอนที่สี่ถึงที่พักนะนวิชัยก็ไปถามว่าเป็นไงเหนื่อยไหมเด็กบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเลยวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะดูเท้าของคนข้างหน้าใจไปตรวจจอยที่เท้าคนข้างหน้าถ้าไปตรวจจอเท้าคนข้างหน้านี่ไม่เจ็บนะถ้าไปตรวจจอดเท้าตัวเองเนี่ยเจ็บนะันเด็กเขาก็ฉลาดนะเขาก็เรียนรู้จากความทุกข์ของตัวเองนะความทุกข์มันสอนให้เขาต้องหาวิธีที่จะทําให้ เนี่ยมันทุกน้อยลงปกติเวลาเรามีความทุกข์เพราะเดินเนี่ยเราก็แก้ทุกโดยการไม่เดินหยุดเดินนะหรือว่าพักแต่ว่าบางคราวนี่เราพักก็ไม่ได้แล้วเราจะหยุดเดินก็ไม่ได้เพราะข้างหลังเขาก็เดินข้างห น, าน้าเขาก็เดินนะเราจะแก้ทุกแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ทุกที่ใจหลายคนก็พบว่าโอ้พอมีสมาธิอยู่กับ เท้าบองคนข้างหน้าบ้างหรือม่สมาี่กขอ่การนับบางแล้วนะความเหนื่อยความเมื่อยมันลดลงนะมันมันลดทิศใจก่อนนะใจมันทุกข์น้อยลงแล้วพอใจมันทุกข์น้อยลงแล้วความทุกข์ทิศกายมันก็น้อยลงไปด้วยให้ลองสังเกตดูนะลองใช้ช่วงเวลาที่เราเดินเนี่ยไกลเ่เช่นวันนี้เราก็จะเดินไกลกว่าเมื่อวานเนี่ย เป็นการทดลองนะเป็นการสำรวจนะวิธีการในการที่จะช่วยลดความทุกข์ลดทิ์ใจก่อนแต่วิธีหนึ่งที่ไม่แนะนำนะก็คือการพูดคุยกันพูดคุยก็ทำให้เพลินนะแต่มันเพลินชั่วคราวแต่ว่ามันจะเหนื่อยตามมาแล้วก็ล้องเพลงลูกทุ่งแบบบุรีพิษณีนั่นด้วยนะยัไม่ไม่ไม่ไม่แนะนำนะ เพราะว่าเรามาเดินธรรมญาตากันถ้าเราเดินคนเดียวเราร้องเพลงได้นะโลกร้อนแต่ใจเย็นก็เย็นครับแต่ว่าเรามีรม้อยเมตรต้องร้องเพลงลูกทุ่งกนได้นะหรือไม่ต้องฟังเพลงเปิดเพลงเอ่อเปิดเพลงซ า, าวเบาใส่หูมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นนะและที่มันจะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตถึงแม้ไม่มีเพลงฟังไม่มีซ า, าวเบานะไม่มี เกรงกอกูเราก็ยังสามารถจะเดินได้อย่างสงบเดินได้อย่างเป็นสุขได้อที่แรก ม, มันจะไม่ทุกนะแต่พอเดินไปเดินไปมันจะเริ่มสุขแล้วเพราะมันเริ่มมีสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตที่ไปจดจ่ออยู่กับการนับหรือว่าจดจ่ออยู่กับท่าของเพื่อนที่เดินข้างหน้าหรือว่าพอมีสติรักษาหรือว่าพาใจอยู่กับกายต่อเนื่อง มันจะเพลินแล้วแล้วความเพลินก็ทำให้ลืมปวดได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะทดลองเอาไปทำดูนะวันนี้เท่านี้แหละกล่าภาพพร้อมกัน